ที่เสริมาเล่าห้ฟังอืมต้องรุดค่ะดแล้วปีนรดแล้วก็แล้วก็กลับมาค่ะแล้วก็รุดใหม่อีกรออืมรกี่รอบรู้ไหมกีร่รอบเป็นยก็ มับบนเบดนะแต่มันต้องห บ, บิไม่ใครเนาะติดแเบดบใครนานสักี่ิติกีนาทีประมาณสิบกี่แบบน์นะดเบนับางครั้งนี่แหะก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทำในรูปะะแบบมางทีมับบนโดดยาวไป ไปหลายชั่วโมงนะบางทีเป็นวันเนี่ยบางทีวันหนึ่งก็ไม่รู้ตัวก็แล้วถ้าเราให้ทำเป็นธรรมดานั้นที่จริงมันเผอไปคิดบ้างมันหลมไปบ้างเนี่ยเราห้ามไม่ได้รู้สึกไหมถ้าเราก็ตั้งแใจที่จะวู้นะแต่มันไปของมันเดี เราโอเคมันไปของมจงเนี้ยมันใช่เราหอนะฮะที่มันไปเนี่ยมันเป็นเราไหมที่มันหลดไปอ่มปา <c oughs> มันเป็นเราเผลอไปอย่างเงี้ยนะเราดูดีดดนะั่นเป็นเราจริงเปล่า เราเป็นราเราเป็นคนคิดเราเป็นคนคิดหรือจิตมันคิดบร่งดีเราดีนักเวลาเราเป็นคนคิดหรือว่าจิตมันคิดเราเป็นคนโกรธหรือว่าจิตมันเป็นคนโกรธ เป็นคนสงสัยเปนจิตเป็นคนสงสัยลองลองดูลองแยกแยะเลยดี้แต่ไม่ใช่การคิดให้เขา้าแฉกนะลองพองาดามันเกิดขึ้นมาเราลองเอกดใจดูว่าไอ้ที่มันเกิดไปคิดเนี่ยมันเป็นเราหรือว่าเป็นจิตไอ้ที่มันสงสัยเป็นเราหรือว่าเป็นจิตเนี่ยลอง รู้สึกใช่ไหมบังทีเราสังเกตพอเราคิดกับถ้าเราสังเกตว่าจริตมันคิดเนี่ยแบบไหนมันพวกมันสุขกัขนคนก็าๆ่านเงี้ยตื่นสายตอนจริงมันคิดกับตอนที่เราคิดือเนี่ยเหมือนกันเขาก็ไปเขาก็ไปของเขาขอขา่ะบางที ทีมันก็คงเป็นอะไรที่เราเราจิตก็มันมันไปคิดไปก่อนหน้ามันไปก่อนหน้ามันเป็นเราริบอย่างเช่นว่าผ้ายังไม่ได้รีดหรือว่าเรื่องงานเรื่องการแต่มันก็มันก็มันก็กลับมาเร็ว เราพอมันคิดแลหลังจากหลังจากที่มันมันรู้ว่ามันคิดเน่ยมันเป็นไงเช่นจะรีผ า, าอย้ยาังไม่รีบแล้วเป็นยังไงก็อย่างเรียบรียไม่เรียบรีคิดตอ่อไหมก็จะเปียบรีย์ตอนไหนไม่ก็ไปไปก่อนไปไปก่อนนะตั้งงานหละงานเราปล่อยไดนะ้ไหม ก็ป่อยไปพยายามพยายามเนี่ยที่ท่านอาจารย์ว่าว่ามันไม่ใช่เวลา <S <S อันนี้วันอาทิตย์เนาะถ้าวันจานทร์ตอนวลางวันจะปล่อยได้ไหมบางทีก็ดได้บ้างไม่ได้บ้างที่ไห น, <c ười> นว่าก็จต้องว่ามันควรจะเป็นคือคือก็ยังต้องเข้าไปจัดระเบียบมนนันอยู่ดีอ อก็ไม่ใช่นคะคก็บางทีมันก็มีก็เราก็คิดช่วยด้วยเวลานี่ยคิดคิดช่วยซึ่งนะ ว, วันนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่ต้องไปคิดต่อซึ่องว 3, ิป้าเรื่องงานมันก็ช่วยให้เราวางได้หรือบางทีพอเราได้สติมันก็จะวางมันเองเนะคือมันก็จะเตือนตัวเองออื ừ, <ừ. S 2> พอกลับมาอยู่กับการกา ร, การเดินการยกมือมัน ก, ก็จะเตือนให้เรา อยู่กับปัจจุบันแทนแต่เวลาจิตมันคิดกับถ้าเราเห็นว่าจิตมันคิดกับเราเป็นเราคิดเนี่ยมันมันตูกต่างากนันเนาะเพราะเวลาเาช่นเราคิดไม่ดีนียถ้าเกิดคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่เรารู้สึกยังไงทำไมฉันคิดไม่ดีใช่ไหมมันจะ มันจะทุกข์นะอืมมันจะทุกใจเราคิดไม่ดีนะหรือบางทีเราคิดดีก็จะลบนะ่เพราะฉะนั้นคนถ้าว่ากันบางทีก็ฉันคิดถูกแล้วนะเธอคิดผิดนะฉันคิดดีเธอคิดไม่ดีนะพอพอเป็นคนรู้สึกว่าเป็นเราเข้าไปเป็นผู้คิดผู้รู้สึกถูกผิดมันก็จะเริ่มความจริงจังนะปฏิจริงจังกับความคิด แต่เราเราสังเกตดูว่าจิตมันคิดของมันเองมันเบามั้ยเหมือวันเนี้ยเม้ากปเชื่อถ้าใครเห็นจิตมันก็คิดของมันเองบ่อยๆนะถ้าเราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจมากบางีแค่กลับมามันคิดอะไรไทั้เออเห็นมันคิดของมันเองก็กลับมามันก็ไม่ได้ทุกใช่ไหมเนี่ยในแต่ละทีพอเรามีหลัก การปฏิบัติแล้วแล้วก็วทำนี่ให้บ่อยทาดูควาสึกภายในว่าดูความรู้สึกคลายเคลื่อนไหวบ้างเนีทำให้บ่อยมันก็จะกลับมาจากความคิดมันก็จะรู้สึกค่อยๆค่อยๆรู้สึกเองว่าความคิดกับจิตมันคนละอนกันร่างกายเวทนา กับตัวเรามันก็เป็นคนลังแต่มันจะค่อยๆรู้สึกนะธาตุนมันก็ยังมีเหมือนเดิมแต่จริงแต่ว่าความสําคัญมั่นหมายว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสำคาญของเราวิญญาณของเราเคของรู้สึกพวกนั้นแหละมันจะ ค, อ ค, อ ค, อคอ่อยๆค่อยๆต่า ง, งขึ้นค่อยๆโดดขึ้นเรื่อยมันยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่จริงแนะว่าเรา เขาไปยึดจนมันเบาขึ้นนะบางทีก็ยึดนะแต่ไม่ได้จับแน่นว่ากก็ใช้นะหรือบางทีกเอาไว้ใช้ประโยชน์นะประมาณอันนี้ก็ลองเห็นไหมมองว่าคนใหม่ๆก็ถ้าลองทักใจปฏิบัติมันก็จะค่อยๆเห็นอันนี้คือดักดัการฝึกสตินะไม่ใช่ไม่ใี่ ทำเพืให้เกิดสมาธิให้จิตสงบอย่างเดียวแต่เราเกิดทําให้เกิดการเห็นเห็นตัวเองเห็นตัวตนเห็นผีที่มันซ่ อ, อยู่ในใจของเรานจริงนะหลอกก็มันรู้วนะ่ออาอะไรมันหลอกเราอะไรมันน่ากลัวที่สุดแต่พี่มันหลอกเราที่เรารับให้เราชันสองเห็นมันจะเก็นความคิดจิตใจ เป็นแบบไหนเคยดื่มยิงบ้างดื่มสัมพันเยอะหอืมอืมอืมหาชาตัวไหนบ้างหายไปหลายปีดีนะ <c ười> เขาเนี่ยถามได้นะคะตีลืมชานี้เราควรแบ่งเวลาในช่วงที่เดินต้องเป็นชั่วโมงไหมแล้วต้องมาต่อด้วยท่าหรสจังหวะหรสี่สิบนาทีหรือว่าแล้วแต่ความสบายสบายของเราก็อืมอาจจะมีลิมิตข้างล่างบ้างก็ได้เหมือนคในใหม่บางที บางทีมันจะค่คล้ายๆมเบื่อแล้วมันอยากจเปลี่ยนง่ายๆเรียนดีงทนั่งแล้วก็ก็ลองดูแล้วแต่ต้องต้องแต่สภาพร่างกายตัวเองเนีมันะงทีก็บอกไม่ได้ว่าทีดหีดีแต่ให้มันรู้สึกว่าเราควรที่จะมีมาตรฐานให้ได้อย่างน้อยสักต้นนีบ้างก็ดีแต่ถ้าคนเก่าที่ฝึกภาวนาโดยประจำแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแบ่งตรงนี้ซะได้แต่นมอว่าแตคนใหม่บางทีก็ ให้มีคนนี้ท่านไห่ก็ดีเพราะบางทีเราเช่นน้ำเบื่อเราเจ็บเราอะไรเราก็อยจะเปลี่ยนเร็วๆก็ดูออกนะถ้าร่างกายเราอไม่ปวดเมื่อยมากก็นั่งสักยี่สิบสามสิบนาทีเป็นอย่างน้อยนะก็พอปวดเมื่อยแต่สมควรก็เปลี่ยนเดินก็เหมือนกันสักแต่เกือบครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงนึงก็แล้วแต่แต่นี้แล้วแต่คนนะ ให้ละแต่คนให้ม the the the ีควารู้สึกว่ามันมันคล้ายๆเราได้ทำปวดเมื่อยสักระยะหนึ่งดีกว่าบางีเราทําแป๊บๆแล้วก็เมื่อยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอีกทีห่งแต่จริงๆถ้าคนมีจตใจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกับเวลาในการทำบางทีเช่เรานั่งแป๊เดียวสถณะที่เราเปลี่ยนท่าเราก็มีสติตมันก็ได้ เราลุกขึ้นเดินปิติดต่อเนื่องก็ได้เหมือนกันอันนี้คือท่ า, า, า, า, าท่าอื่นยาวดในคีวประจํามันของเราบางทีมันไม่ได้อยู่ในท่านัเดิมแต่ขณะที่เปลี่ยนท่า่ะอย่างที่ตอนทช้าคุณเชา้าทีไม่ได้กินน้ำเนะ่ะเราบทีเราใจร้อดเราเหมือนถ้าเราเร่ีบมาเนะะาะก็เตือนีกให้เรารู้ว่าเราอยู่ น, น้ำมีสตินในการหยิบมีสตินในการดู แม่ก็สติของแม่จะต่อเนื่องทั้งยีบบทเดินยีบบทย่ออีกต่างต่าทถาอีกสองคถามนะคะอย่างหลับอาหารมันจะเหมือนง่วงนะคะพอมายกมือเหมือนเกือบจะหลับนิดหน่อยแสดงว่าท่าที่เราควรใช้มันจะเป็นท่าเดินอี่นี้ป่ะก็ดีมันย่อยอาหารอันนั้นก็ชอบเดินท่าท่าดังหารก็เดินก็ดีแล้วก็ พอจะนอนเนี่ยบางทีเราอาจจะยังมีความกังวลคิดๆใส้เป็นเคาะนิ้วกับที่นอนง่ายๆอนด้ไหะได้ได้อะไรก็ได้อีกอะไรที่โยมทํำก็สบายแล้วทําคือขอให้มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยหน่อยนะคะคือคือตาก็คือว่าไม่ให้เราไปอยู่กับความคิดเช่นคิดเรื่องงานคิดเรื่องที่กังวลคิดเรื่องนานก้นนะเพราะถ้าใจเราไปอยู่กับความคิดมันก็คือเราก็เครียดนะบางที ส่วนที่เราเครียดหรือบางทีนอนไม่หลับแล้วก็เป็นกังวลว่าทําไมนอนไม่หลับมันก็คือไปอยู่กับความกังวลอยู่กับความคิดก็ให้กลับมาอยู่กับตาดีแต่แต่ตอนนอนกับตอนที่เราไม่เช่นอนอาจจะต่างกันหน้าอย่างงี้ยว่าสเราจะทำแบบหลับตาคือหลับตาทํำนะนอนก็หลับตาข้อมือปลอเบาหรือจะดูลมหายใจ อย่างพันมาเองบางทีชอบกระดิกเท้ากระดิตเล่นๆเล่นๆอะไปก็แบบก็แับไม่รับก็ไม่เป็นไรนะแค่เราวางใจนะว่อย่าไปคิดว่ามันต้องรับไปในกี่นาทีอย่าไปคิดว่ามันต้องไม่คิดมันจะคิดเรื่องของมันแต่เราก็รู้สึกถึงการกระดิกเท้าถึงการเคาะเตียงอะไรของเราไปนี่างสมมติว่าตัวแทนคำถามนะทุกคนจะกลัวเรื่อ เรื่องตอนที่ป่วยหนักมากๆเลยเราบางจะมีบางคนที่แบบเหลือแค่กระพริบตาได้แล้ทีนี้เทคนิคที่ใช้สําหรับพวกที่ป่วยหนักมากๆแล้เคลื่อนไหวอวัยวะไม่ได้ต้องกลับไปอยู่ที่หลอดกใจเป็นหลักว่ะมันก็ถ้าเราเคยฝึกมาก่อนที่จริงมันก็มันก็ฝ่อยบางมันเองมันถึงว่าเทคนิคความรู้สึกมันไม่ตั้งใจทำมก็มีความรู้สึกคือ รู้สึกถึงการนอนรู้สึกถึงการกระพริบตาของมันเองรู้สึกถึงเวทนาของกายมันก็รู้สึกมันเองแต่นอกจากถ้าคนเคลื่อนไหไม่ได้จริงๆนะก็รู้สึกถึงลมหายใจก็ก็ชัดปวดในตื่นเยอะแต่ก็แต่ก็อาจจะค่อนข้างไละเอียดนะอืมแต่ก็ไ ม, มนนะ่หายใจสบา ย, บายอยู่เวลา เราดูลมหายใจนียอย่าไปกำหมดมนดบังคับลมหายใจพิจิการนาำปานั้นสิงนะเพระโคชช่างถอยไว้ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้สึกว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้สึกว่าหายใจออกยาวท่านไม่บอกว่าเธอจะทาความหายใจเข้าที่ยาวเธอจะทความหายใจออกไม่ยาวแค่คือรู้อย่างที่เขาเป็น ไปตใจั้นกรู้ว่าั้นหายจะอยากก็รู้ว่าหยาบายละเอียดกรู้วละเอียดมันจะพอเราเห็นลงหายใจก็าจะเห็นถึงจิตใจด้วยเช่นหายใจยาวแล้วผ่อนคลายหายใจสั้นแล้มันอึดอัดไม่สบายใช่ไหมนะมันจะรู้สึกพอเราเห็นสภาวะพวกนีบางทีเราไม่รู้ทันใจของเรานแต่เราเห็นลงหายใจของเรามันมันตั้งเห็นใจมันนเห็นใจมันเห็นหัวใจ มันไม่สบายอันนี้พอเห็นนะบาทีบางอิสรมเห็นใจว่าเออเราเครียดเรางวลเราเปนหายใจแบบนี้นะมันก็จะผ่อนคลายได้แต่จริงคนป่วย อ, อ่หนัก บ, บาคัญก็คือว่าคือให้ยอมรับความจริงส่วนใหญ่เราป่วยแล้วเราไม่ค่อยยอมรับไม่ยอมรับว่าร่างกายเป็นแบบนี้อยู่ เราส่วนใหญ่เราติดคิดเนี่ยจะหายอย่างเดียวเราไม่ได้รับสองหน้าเหมือนเราเหมือนเราเ si สียงโชคอ่ะถ้าเราคิดว่าเราต้องถูกอย่างเดียวเนี่ยพอมันไม่ถูกมันก็ทุกข์มากไหมที่จริงเราป่วยนะเราไปหาหมอก็เหมือนเะสียงโชคเลยมันหมอจะรักษาแล้วหายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางทีคนก็หายแปดสิบเปอร์เซ็นแต่เราจะอยู่ข้างที่สิบเปอร์เซ็นก็ได้บางทีเราก็าต้องเกลือใจนะ แต่คนส่วนใหญ่กอป่วยแล้วก็ไม่เฉื่อยใจคิดว่าฉันต้องหายอย่างเดียวพอไม่หายก็เลยทุกข์ใช่ะแต่จริงถ้าเราเปื่ใจนะมันจะบอกหน้าไหนเราก็รับได้ใช่ไหมเคยเล่นลอตเตอรีไ่ไหมแบบซื้อแบบไม่ไตั้งใจนะเป็นไงถูกก็ดีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะซื้อช่วยเขาเฉเฉดแต่ถ้าคิดว่าฝันดีเป็นซื้อถูกแน่นะพอไม่ถูกเนไงอืม เครียดเนาะหรือคนเป็นหนี้หลังถูกแน่จะได้ใช้หนี้ก็เครียดนะการวางใจก็เหมือนกเดิมเหมือนเราเสี่ยงโชคนะ <c oughs> เอากับแฝงเราป่วยจะเสี่ยงโชคจะได้ไหมไม่ถึงว่าเสี่ยงโชคในการรักษาเนาะในการรักษาก็ดูแลมันไปแต่หายก็ดีไม่หายก็ไม่เป็นไรอย่างหลวงพ่อคนเขียนของพ่อรู้ว่าหลวงพ่อเป็น เป็นมะเร็งต่นนั้นหมอกว่าเป็นมะเรงมะเร็งรออาหารก็วิธีรักษาก็อาจจะมีแค้นายแทนแล้วก็อาจจะอาจจะไม่ถึงขั้นหายนะผมพ่อจะบอกเราอย่างเงี้ยนะว่าคล้ายๆว่ามันประมาณว่าตายแน่ๆ <c ười> คล้ายๆว่าจะารักษานี้ไม่รักษาก็ตายแน่ๆประมาณว่าเอาไม่ต้องกังวลอะไรหรอก คือพ่อรับได้แไหมแย่ที่สุดก็คือคือตายก็ก็รับได้เหมือนใครว่ามองเรื่องการตายก็ไม่ใช่ เ, เรื่องความล้มเหลวหลวงพจะใชู้่เสมอว่าเหมือนชีวิตที่ผ่านมันมันไม่ได้ล้มเหลวมันมันทําอะไรก็ทําเป็นที่ทำเต็มที่การงานก็ทำเต็มที่ท่านวัดท่านราบอะไรวัดภา ว, ว, าวนาเองก็เป็นที่นะ ชีวิตที่ใช้เนี่ยมันคุ้มค่าตายได้ <c oughs> เรื่องตายขอิตศาสตรในเรนะื่งนั้นส่วนใหญ่เราจะมีความทุกข์เยอในเวลาที่เราสูญเสียคนที่เป็ที่ไปทีนี้เราจะวางสิ่งใดการปฏิบัติและกล่าวจะเชื่อโยมป ร, ร, รสบการณ์ลดความคุกของการสเสียใครมีประสบการณ์นี่คนพ่อแม่หรือว่าลูก มีไหมมายถึงลดความทุกข์ของคนที่ทำไม่ได้ท้ายที่เหลอยู่หรนนือนคนที่สูญเสียบางคนเป็นที่อืมาสำหรับมีว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราได้ทดําเต็มที่แล้วเราก็จะไม่ค่อยเสียใจนะแล้วท่ก <laughs> <laughs> ากับว่าถ้าเรารู้สึงเราไม่เต็มที่ล่ะ ไม่ันตรายมันมีบางทีมันก็มีประเด็นของของบางคนเนะี่ยรู้สึกว่าแบบเช่นบางคนทำงานยุ่งไม่ค่อมีเวลาดูตอนที่เขาพ่อแม่หมดใกล้จเสียแล้วก็ไม่ได้ดูเต็มที่หรือบางคนอาจจะคิดว่าการรักษาเต็มที่คือต้องแบบต้องแบบให้แพทย์ช่วยทุกอย่างหรือเปล่าบางทีความเต็มที่ของใจเคนนอาจจะไม่ได้อยู่ที่ เวลาหรือว่าการที่ต้องดูแลแบบมือนถึงว่ารักษากบบเป็นที่เนาะอันนี้ก็ต้องมางแผนเป็นที่จริงจก็คือตามเหตุปัจจัยที่เราทำทำได้หรือว่าเขาเขาทักได้นั่นนะบางทีเป็นที่ของเราคือเราจะจัดเตงนะแต่บางทีคนป่วยเขาเราให้เต็มที่เขาอาจจะฟุ้งกว่ากดสูบกว่าได้วิงทีก็ต้องดูทางนี้ แต่เราจะวางใจแบบไหนล่ะอืมแอมคือมิติของการที่สุว่าเขาตายจากเรื่องการปรวจใช่ไหมะและมีเวลาที่เราได้อยู่ ใ, ใกล้เขาความรู้สึกผิดของการเต็มที่ไม่เต็มที่อาจจะเป็นปัจจัยหลักแต่บางกรณีที่การพลาดานั้นเกิดอย่างกะทันหันแล้วกับคนที่เรามีความยึดมั่นถึงมั่นสืบว่าเป็นของเราใช่ไหมะมันก็แบบมันก็จะช็อคไปเลยเป็ น, นอย่างก็แบบนั้นเดียวถ้า มันมันไม่ทันด้ตนดเตียใจเนาะก็คนใหญ่คนก็จะก็จะทุกข์หรือว่านับไม่ได้แต่เชื่อ เ, อเอถอะแล้วเวลาก็ช่วยให้เรารับได้เองจริงๆนะแต่ถ้าใครฝึก ต, ติเตียนมันก็มันก็อาจจะมีทุกข์ไปเลยก็ได้คือมันเหตเป็นธรรมชาติเราควพิจารณาเรื่องความตายปล่อยๆจาเป็นไหมแล้วแต่เรื่องม แต่การที่จนะสวรรตายก็ดีนะแต่แต่ที่จริงอันนี้อนี่ยของแต่มาเองนะก็การที่จะคิดว่าเราจะตายบางบ้างมันก็ไม่ค่อคิดเท่าไหร่ก็ถูงตรองแต่มันก็แต่รู้สึกตัวมีสติไปเรื่อยๆเองก็เหมือนลคล้ายๆมันเป็การเตรียมตัวพร้อมรับกับทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่แต่ความตายพร้อมรับคํานินทาพร้อมรับอุปาติเหตุพร้อมรับความาพลาดพลาด แต่มารู้สึกว่าความรู้สึกตัวที่เราคุณเนะี่ยคือมันพร้อมที่รับมือกัทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบของชีวิตเพราะจริงไม่แต่ด้านบวกถ้าเรารับมือกันไม่ถูกมันก็อาจจะทําให้เราเสียคนเหมือนกันนะถ้าอย่างเช่นคนสนับสนุน เ, เราเรือเราได้ลาบหรือเรามีบางช่วงเรามีอำนาจเรามีตำแหน่งซึ่งมันก็ถ้าเรารับมือกันไม่ถูกเราก็อาจจะเสียคนอีกแบบหนึ่ง ใช่ไหมด้านด้านที่เป็นโลกธรรมฝ่ายลบก็เหมือนกันก็ต้องพร้อมรับมือกันแต่การพิจารณาความตายก็ดีมาทำให้คลๆมันความความหลงความอยากมันก็ลดน้อยลงเนาะหรือบางทีก็ทำให้เราไม่ประมาทกับชีวิตก็พิจารณาก็ดีแต่ก็มาว่าการมีสติก็เป็นการการเตรียมพร้อมในการตายดีได้ คือถ้าเราเปรียบเทียบว่าผู้ที่ไม่ฝึกส ต, ติเลยมันก็จะทุกข์แล้วทุกเล่าทัวันใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่แน่แใจว่าเใจ่ถูกในทางกับกานผู้ที่ผู้ที่ฝึกส ต, ติมันก็จะกลับไาหรือในปัจจุบันนี้เรีวนรู้ความถูกข์ที่จะเ ป, เปลี่ยนตัวเองก็ทำจิตก็เ <c oughs> ช่นเ <c oughs> ช่นก็เช่นตอนนี้สมมติเรายังไม่ตายนะแต่ถ้าเราเจอคนดินทาถ้าคนไม่มีสติก็ทุกข์ตอนนี้แหละใช่ไหมบางทีนะ แต่ถ้าคนมีสติบางทีเขาใกล้จะตายแต่บีความทุกข์ยิ่งน้อยต่คนที่แค่ร่างกายแข็งแรงดีแต่แค่โดนดินพา น, านิดหนึ่งก็ก็ทุกจะตายแล้ะใช่ไหมอืมอันนี้คือตีความทุกข์มันไม่อยู่ที่ว่าเราเจออะไรหรือว่าร่างกายเราเป็นอะไรแต่มันอยู่ที่ใจเราที่มันยิ่งมั่นถึงมันกับเรื่องไห น, ม, น, นมันก็ครับมาเราก็เลยว่าถ้าเราฝึ ส, สติตอนนี้ก็มีประโยชน์ตอนนี้ ฝึกไว้ตอนจะตายเท่านี้เพ่อตอจะตายหรือที่จริงแม้แต่เราไม่ตายแต่เราเป็นเช่นเป็นญาติเป็นพี่น้องคนที่จะตายนะถ้าเรามีสถินิเราก็ช่วยช่วยคนที่จะไปได้ดีเช่นเราอาจะนำทางอี่ยมันก็เป็นนำทางยายคนใกล้ตายมันก็ตนก็บอกแาตพี่น้องว่าให้องกันส่วนมน ก็สวนตีวง่ายๆแหละตีปิดโถแบบนีะเพราะคนใหญ่ก็แทนที่บางทีคนจะตายนะยายมาตัดที่บ้านก็คนก็จะวุ่นวายนะคนจะตายนะก็ไม่ต้องร้องไห้ให้มาสวดมันรีบตัดนะเพื่อนมันยังตาายก็เลยไม่ร้องไห้แต่ก็สวดจนยายหายใจแบบมีเหนื่อยนะไม่รู้สึกตัวมาตั้งแต่หัวค่ำเป็นท่านถึงเสร็จละ ถึงเกือบเทียงนะ่ะไม่รู้สึกตัวแต่พอส่วนนวลสักพักหนึ่งเขาเขาตอบสนองนะน้งตาไหลหายใจเบาขึ้นพอมาเห็นชิดเห็นสัญญาณชิปนะก็เลยครนี้เ็าเพูดทรหน้านิดหนึ่งสัก3าสี่นาทีนะปูนเขาปล่อยวางร่างกายนะเขาพูดไปเขาพูดไปสักพักหนเขาลืมตา ม, มาดูรูปหลานสุดท้ายตะลมตาดูรูปหลาน้านะนาานนะวก็ หายใจก็ไม่ไม่พยายามหายใจก็คือปล่อยลมหายใจแล้วก็ตายไปสงบแต่ตอนนั้นก็มาก็บอกให้ญาติพักการสวดมนต์ต่อน่ะคือพอเราพูดเสร็จแล้วก็เราเห็นพิธีญาติเขาใกล้จะไปแล้วแต่เราก็ให้เขาสวดมนต์เพราะว่าเดี๋ยวพอถึงจุดนึงแบบญาติที่น้องมาบวยไวายมาญาติจะเพิ่งตายนั่นอะไรนะเสียวเขาก็จะไปไม่ดีเราก็ช่วยกขาแบบนี้นะคือเราแต่เราช่วยคนที่จากไปด้วย ช่วยคนที่เริ่มแปรปองนะให้เขามีสติความมีทุกแต่ถ้าตายไปแล้วส่วนมันจะ อ, อใครที่เราท่ายจะเรื่องของเขาแะ <c oughs> แต่เราก็ถือว่าเราช่วยช่วยยายในการไปดีแล้วก็บรรยากาศในตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ก็ดีคือเราก็ถ้าเราพอมีสติเราก็จะช่วยตรงนี้ได้เพราะบางทีคนพอขาดสติเนาะไม่รู้จะทำอะไร เห็นเขาทาเห็นเขาร้องไห้ก็ร้ราแค่ตามเขานะมเหมือนเหมือนไปไหม้อยนีดเนาะไม่รู้จะทำอะไรทําะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ถูกนะอาจารย์ขออีกหนึ่ง่ะเพราว่าพยายามวิเคราะห์ว่าความทุกข์ปองมนุษย์โลกมันมีอะไรบ่ามีเรื่องสาคัญอยู่สามอย่างคือการทภาพาจากสิ่งที่รักการเจ็บป่วยที่เขาพิจนามากเล ในสายหมอค่ะก็จะป่วยป่วยอย่างไรแล้วก็อันที่3คือการตายของตัวเองการที่เราคือกลัวความตายกลัวมันจะตายดูเหมือนว่าการฝึกสติเหมือนเราจะได้ทาไรทั้ง3เด้งไปหมายถึงว่าถ้าเราทุกขเวทนาเยอะๆเราก็น่าจะทุกขเวทนาน้อยกว่าคนที่ไม่ฝึกสติใช่ไหมคะหรือการกลัวตายเนี่ยแต่จริงๆเราต้องเตรียมตัวหลายปีเหมือนกันใช่ไหมคะที่ให้สติเรากล้าแข็งกว่าเจะผ่านเรื่องคํา ป่วยหนัรือความที่ต้องรับความตายของตัวเองได้ใช่ไหมไม่ใช่ฝึกกันสอสาเดือนแล้วเราจะผ่านไปได้ดีใช่ไหมคะัช่ไหมครับก็แต่เรื่องเวลานานหรือเปล่าก็ไม่บางทีมันก็ไม่ไม่แน่นอนเนาะมาถึงว่าแต่ถ้าเรามีเวลาฝึกนานๆานก็ดีมาถึงเตรียมพร้อมนานๆก็ดีดีกว่าดีกว่าคนที่เพิ่งมาฝึกตอนที่ป่วยหนักแบบนั้นเราจะกลัวตายน้อยลงเองใช่ไหมเมื่มอเราฝึกมากๆ อันมาวัดอย่างนนนะถ้าเปิดถูก น, นะแต่บางทีนักปฏิบัติต้องระบังอย่างหนึ่งนะมีนักปฏิบัติคนคนหนึ่งไปเขารู้ว่าเขาป่วยแล้วก็รักษาไม่หายเป็นมะเร็งเขาก็อยากจะเรียนเสียชีวิตที่วัดเขาก็ให้ญาต่น้องไปตือก็พี่ชายเขาก็ทักสติอยู่ยที่วัดเขาก็ไปพักอยู่ตรง น, นั้นนะก็มีน้องสาวไปช่วยดูแลเขาก็เขาก็ปฏิบัตนะิของหลวงพอขงเคียนมามานาของหลวงเทียน ก็นานแล้วก็พอตอนที่จะเสียก็เพราะฉะนั้นอาจารย์ไปรีสารทำงานก็ไปเยี่ยมบ้างแล้วก็พระาจารยปสารก็ไปเยี่ยมอาจารย์ปรีสารก็ต้องให้ฟว่าไปถามเขาว่ามีความกังวลในเรื่องอะไรไหมเขาบอกกลัวตายไม่กลัวแล้วแต่จิงที่กังวลคือกลัวตายแล้วไปไม่ดีเข้าใจไหมคือกลัวว่าสมมตจิตสุดท้ายหรือว่า ทำมันจะทําให้ไปสู่ครอบครูที่ไม่ดีอบองทีนักปฏิบาาัติธรรมก็ก็ต้องระวังนะคือความกลัวตายเราอาจจะมันอาจจะมีกลัวนะคือยอมรับความตายได้แต่บางทีถ้าเรายังยังคิดถึงคล้ายๆกังวลถึงครภูมิข้างหน้าอย่าคิดว่าเราต้องไปดีอย่างเดียวนะมันก็เป็นความความกังวลใจความทุกข์ใจก็จำไว้ว่ ตอนนี้ที่รู้สึกตัวอยู่มันมันเป็นอะไรไหมไม่เป็นไ ร, รก็ให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะแล้วแล้วมาจะไปดีหรือไปไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของมันเองเขาก็พอเขาจัดการโดยสารท่านนะี้เขาก็เขาจะกังวลในอ น, น, นาคตจะไปดีไม่ดีทําไมนะแล้วก็แค่รู้สึกตัวไปแล้วตอนที่เขาเสียรู้สึกว่าสัมผัสความเขียนก็ไปไป คือไปตรงจัอนที่เขาเีนะก็เห็น้อเขาก็กลับมล่าฟังว่เาเขาก็ไปดีมาถึงว่าไปถึงหมอดีตรวจเงินที่เขาต้องการแต่ไม่ใช่เพราะว่าความกังวนนะทําแค่ว่าไปดีแต่พราะว่าเขานนะ ว, า, ข า, า, ข า, ข า, วางแใจได้ว่าจะตายก็ดีหรือจะไปที่ไหนก็ก็าวางได้ทําให้ไปดีได้แต่ถ้าจริงๆนักปฏิบัติบางคนท่านมีแพิดุ่ยก็ กลัวไปตกน้ำก็กลัวไม่ได้จุดโทษอะไร น, นะมีมีมากใช้เวลาคงค่าเพรมานก็ดืแล้วก็ดื่มคงแค่ข้าว บาทเนี่ยถ้าตกใจใช่ไหมครับไปไหนกลับมาเรียนสิ่งที่ก็คือทํำแหมดเพื่อเสื่อมใช่ไหมับอีกนั่นก็จบหลักอะไรเนี่ ย, ย, นน ย, เ ค, เยคือมันไม่ต้องอะไรก็ตามเนี่ยการที่เรากลับมาตั้งสติได้านเนี่ยเรื่องราจะลากลับไปดีนั่นก็คือตรงนี้มันเป็นที่มาของสิ่งที่การ ท, าที่เรากลับมา ร, รู้สึกตัวการถากลับมา ร, รู้สึกตัวก็คือไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวเพื่ออะไรแต่ว่าหมายถึงว่ากลับมาเพื่อให้เราได้เผชิญสถานการณ์ต่างๆ ย네ัไม่เป็นอะไรต่ออะไรยงที่พอพู่ไมัค like, ือเราเงเนี ms, ่ยเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้อกัาเป็นาต่างๆแต่ถ้าเกิดเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างขาดสติเนี่ยไม่ได้ยัใช่มรัแต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องยังมีสติเนี่ยมันไม่มีปาอะไรแน่นอนยนั่นคือตรงนี้ว่าการที่เราต่อมาได้เร็วเท่าไหร่เราไม่จะเสียเวลาเกยกับการเสียสติน้อยองเท่านั้นาะฉะนั้นเพราะนนนีคือตรงนี้นะก็อยากอยากให้ต่อมาได้ ในมองเห็นน่ยอย่างทำไมที่พระอาจารย์เรพูดถึงหลวงพ่อในนาฏศิลป์หลวงายน่ยมนไม่เป็นนาฏศิล์เพราะว่านัคือก็ร่างกายมใช้ไม่ได้เนี่ยใช่ไหก็ไม่เป็นอะไรอะไรไม่ใช่ว่าตอนนี้กำจะตายนะใช่ไหมครับหนึ่งแต่ตอนนี้ร่างกายนใช้ไม่ได้แล้วแต่ไอ้การที่เราดูสังขารที่มันเสื่อมไปไอ้การดูราก็ยัชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับหนึ่งผู้ดูก็ดูไปใช่ไหครับสังขารก็ส่วนหนึ่งในิลป์นานมา อันนี้สังขารก็ไม่ใช่ของเราจิตใจก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครัเพราะว่าอย่างที่เราเริ่มต้มกันเริ่มบอกว่ามิหล่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเอใจมาคอยรับรู้ใช่ไหมครับเอาสติดูการที่เคลื่อนไหวแล้วเอาสติดูใจที่คิดนึ่งมันก็มีส่วนหนึ่งที่ดูดูอะไรดูกายส่วนนึงดูใจส่วนหนึ่งก็ถูกดูมาตั้งแต่แรกแล้วนี่ใช่ไหมครับไม่ต้องเลือ ของที่เราถูก ด, ดูมันไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครัที่ถ้าเราฝึก อ, อย่างนี้น้าเราฝกอย่างนี้กอย่างนี้ชัการที่แตกต่างควารู้สึกตัวเองครั้งอันนี้เผลอพิคิดท็กลกับมาเผลอพิกลัวก็สื่อเผลอพิิดกกลับมาใช่มรัเผลอปอยากนี่ก็คือความที่มันกลับมาในสานรณ์คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันจะช่วยทําเผชิญกับ จะชนไม่ว่าใครจะตายไม่ว่าเราจะป่วยไม่ว่าเราจะ อ, อจะไรอะไก็ตามอย่างเนี้ยเราจะมีวิธีการจัด ก, การกัตัวเมื่อกอนเนี่เราไม่รู้จะทําอะไรดีเอ็ตอนนี้จะทําอะไรดีเย็นนี้จะทําอะไรดีจะไปดูหนังดีจะไปกินข้าวดีอย่าเงี่ยแค่นี้เองเลยมันต้ตัด ส, สินใจแต่ถึงตอนนี้เนี่ยมีเวลาทําอะไรดีจเจอสินสแิลกไป <c oughs> ไปหอีกเคื่องมือทํำยังไงดีแล้วก็ใช่ไหมคับขยับนึกขยับนนยตรงไปอย่างนี้ยใช่ไหมครับเลย อ, อ, อีกสามนาที ใช่ไหมคเดี๋ยวแบบว่าไม่รู้จะเข้าประชุมทํางไงดีครก็ใช่ไหมเราก็คือมันมันมีทางออกของเราถูกไหมฮะอย่างเงี้ยแต่วก็ทางออกตัวเนี้ยมันจะเป็นทางออกที่ทีดว่าหมาะ ก, กับ ท, ท, ทุกสัตว์นะครเพียงแต่ว่าขอให้เราเขึกทิศด้านว่าเราควรจะกลับมารู้สึกตัวเราจะกลับรู้สึกตัวตตดมได้ไหพาะว่าตัวสติมันก็จะคอยเราตั้ตรงนี้อยู่แล้วนะอยเห็นไหม